ท้าไม่จิตใจของเอ็งมุ่งมั่นและตั้งมั่นเหมื อ, น, อ น, านานาถาปิมีราเศรษฐีเป็นตน้นอะอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลพอมาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมพอเจริญกรรมฐานจากการวิบัติจากรับก็กลับมาล่ลํารวยอย่างเก่าเนี่ยนะฉะนั้นสิ่งที่มันย่อยยับมันก็กลับมาฟื้นดีขึ้นมาได้จากการที่ตั้งต้งตั้งหลักที่ตนเองก่อน ดังการตั้งหลักที่ตนเองเนี่ยนะสิ่งที่ดีๆงามๆทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ไหลาตามมาประการต่อมาว่าเออเรามุ่งมั่นที่จะทําจริงรู้ไหบถ้ามุ่งมั่นที่จะทําจริงๆอบรมหรือเจริญเมตตารจริงๆเนี่ยนะสิ่งต่างๆดีๆงามๆทั้งหลายเนะี่ยมันไหลดำแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องมุ่งมั่นเลยนะต้องไม่ท้อถอยนลยนะจิตใจนั้นต้องจดจอ่อต้องมุ่งมั่นต้องเพียนพยายามใช่ไหม เราจะเห็นได้ว่าการภาคเพียรในการเจริญกรรมฐานหนึ่งนะบางคนเขาบอกว่าคนนั่งหลับตาอยูค่คิดจฉะนั้นในเรื่องของการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่กิตของคนเกียดชานแต่เป็นกิจของคนที่จะต้องมีความภาคเพียรมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นอย่างอย่างแท้จริงถ้าคนที่มีความคิดเยาะเยาะแยะยเนี่ยน ะ, จะเจริญกรรมฐานไม่ทะลุทะลวงไม่ผ่านอุปสรรคเ เวลาไปเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆบางทีคันนิดหน่อยประเกาเนี่ ย, ยคือต้องตั้งมนาจิการต้องตั้งจิตเขาว้บอกว่าถึงแม้จะเกิดคันตามเนื้อตามตัวถึงแม้ว่าจะเกิดเสียงมารบกวนถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จับพยายามตั้งมาเออมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นจากการตั้งใจ ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจในการที่จะทําจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ของอะไรบางอย่างนี่ยนะมันต้องแลกโดยเฉพาะเมตตาภาวนาซึ่งเป็นของสูงเป็นของประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเขไว้เป็นอุบายแห่งการระงับดับโทสะระงับดับความโกรธแล้วเป็นอุบายแห่งการที่จะเป็นปัจจัยแห่งการได้ฌานสมาบัติ เป็นพื้นฐานในการที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงเวยแล้วเป็นสิ่งที่จะต้องภาคเพียรพยายามในธรรมทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นปัญหาคือว่าให้เราทำอย่างต่อเนื่องทำให้จริงจังเมื่อเราทำต่อเนื่องทำให้จริงจังทำให้เป็นสม่าเสมอทำให้เป็นอัธยาศัยคำว่าทำให้เป็นอัธยาศัยในที่นั้นก็คือว่าทำบ่อย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 จะให้ใจประกอบไปได้วยเมตตาด้วยมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมตตาทอนแบบจริงใจอะเมตตาแบบน้ำใสใจจริงเลยไม่ได้เศษแฉ้งเลยเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆเลยเวลา น, น้อมจิตไปกับใครเนะฉะนั้นสถานการณ์ต่า ง, างๆความเล่าร้อนต่างๆความเดือดร้อนต่างๆจะหายเกลี้ยงไปหมดละถ้าเราจเจริญเมตตากันเป็นบางทีเนี่ยนย บางแห่งบางที่เนี่ยเขารวมกลุ่มเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาจะทําสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นงานใหญ่ๆตโตๆเนี่ยเขาไม่ทําอะไรกันนะสิบคนสิบกว่าคนเนี่ยเขารวมตัวกันเสร็จเสร็จเขาก็จเจริญเมตตาแล้วก็ตั้งจิต ป, ปรารถนาในสิ่งเดียวกันแล้วก็หวังบอกว่าตั้งจิต ป, ปรารถนาบอกว่าให้สิ่งที่เขาต้องการร่วมกันเนี่ยจงสำฤทธิผลเถิ นั้นเขาทำอยู่ไม่นานเลยเนี่ยพลังของเมตตาชานเมตตากรรมฐานเนี่ยนะหรือเมตตาจิตเนี่ยที่เขาทำบ่อยๆทำแล้วๆแล้วๆเนี่ยเออสมฤทธิ์ผลนะนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่สังคมโลกในบ้านในเมืองเรานี่ที่มันเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าคนเจริญเมตตาแล้วไม่ดูถ้าคนเจริญเมตากันถูกจริงๆเนี่ยไม่เดือดร้อนแล้วสงบสุขไปนานแล้ว ทีนี้ต่คนอื่นจะอย่างไรก็แล้วแต่แต่อย่างเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังว่าทำกันยินต้องจเจริญเมตตาให้ทีนี้พอเรารู้พื้นฐานเนื่งการกําหนดถึงการพิจารณาแล้วเวลากลับไปที่บ้านหรือที่อยู่ของตนเองเราก็ไปต่อยอดวิธีไปต่อยอดก็คือว่าจัดอาสนะจัดสันทัดหรือจัดมิสิรธนะผ้าภูสําหรับนั่ง ต่อหน้าพระต่อหน้าอะไรต่างๆเบียดเสดตัดปริโพเทกังวลเบียดเสดก็แผ่เมตตาให้ได้ทุกวันวันละเป็นชั่วโมงได้ยินดีไม่ไมอาจจะได้สิบห้านาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างในที่สุดจริงก็ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยก็แล้วแต่แต่ในที่สุดจริงๆเดี๋ยวใจก็จะเป็นไปกับเมตตาเมื่อใจเป็นไปกับเมตตานี่เนะ้ท่านทั้งหลายจะเห็นความเปลีป่ยนแปลง เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นความเปลี่ยนแปลงกับบุคคลที่เราแผ่เมตตาไปจากคนที่เคยโกรธเราจากคนที่เคยขึงเทียดกับเราจากคนที่เคยคิดจะปฏิทุสลายกับเราเมื่อเราแผ่เมตตาเจริญเมตตาบุคคลเหล่านั้นก็จะหันมาเป็นมิตรเราบนหรือไม่อย่างนั้นก็จะพ้นไปจากชีวิตเราบน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 เมื่อเมตตาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมตตาก็เกิดขึ้นและความสเร็จผลก็จะเกิดขึ้นแต่ท่านผู้นะั้นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นในการเจริญเมตตาในการอบรมเมตตาในที่เราบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดอาหางสุขีอัตานังปริหารามิคำว่าอาหางสุขีอัตานังอัตภาพนั่นเอง อัตภาพหมายถึงสรีร่างกายเรียกว่าอัตภาพอีกอย่างหนึ่งหมายถึงขันทั้งห้านั่นเองคือรูประคันเวทนาขันสัญญาขันสั้งกาและขันอญานๆในกาอัตภาพของตนเองขันห้าของตนเองเนี่ยสุขีอัตานังปริหาราขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทุกทุกรักษาขันห้าของตนเองให้พ้นจาก โอทกภัยอาทิภัยวาตภัยโจรภัยราชภัยดุจนด่นรักษาขันห้าของตนเองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งภายในและภายนอกในที่สุดจริงๆก็พ้นจากกิเลสภัยพ้นจากราคะโทสะโมห์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตราบใดขันห้ายังเป็นไปอยู่ความไม่ปลอดภัยก็เยอะฉะนั้นความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในสะแสขันของเราท่านทั้งหลายเนี่นะ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 แม้ในอนาคตเราก็จะต้องไปเจอภัยต่างๆมีชาติภัยชราภัยมรณะภัยเป็นต้นเออเมื่อกระแสขันที่มันจะต้องเป็นไปกับภัยอย่างนเนี้นะบางทีเราก็อธิอธษฐานถ้าขันห้ายังไม่ยังเวียนว่ายได้เกิดถ้ากระแสขันมันยังเป็นไปตามวัฏจักรสังสารวัฏเนี่ยมันยังไม่ขาดวัฏพบวัตทุกเนี่ยมันยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย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 อระเภทที่ปันกลางๆเหล่านี้เนี่ยก็ประครับประคองไปได้ยังไม่เดือดร้อนจอนเกินไปแต่ถ้าหากว่าประเภทที่กรรมมันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอย่างหนักสหัสการเอาผ่อนหนักเป็นเบาได้เอาดีฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยนะมันเป็นคุณประโยชน์อย่างนี้เรารู้ประโยชน์เราเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของโทสะเห็นคุณของคติธรรมอย่างนี้แบบเบีดเสร็จก็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 เวลานอนก็จะกลิ้งไปมาแบบรอบตัวนอนกลนบ้างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านอนเป็นทุกนอนกระสับกระส่ายคนนอนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนอนแบบขาดเมตตาธรรมลักษณะแห่งการนอนแบบขาดเมตตาธรรมนี้แสดงให้เห็นชัดเลยบอกว่าในอัธยาสาัยของท่านคนนั้นนะไม่เคยเจริญเมตตาอาจจะเคยทองเมตตาจริงบางคนบอกว่า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 อธิบายว่าชนเ่าอื่นที่ไม่สำเร็จเมตานีนะ่ไม่ได้เจริญเมตตาด้วยเหตุที่นอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ไม่ได้ความสุขในขณะที่หลับอยู่แล้วเมื่อตื่นขึ้ น, นมาก็ถอดถอนให้ใจใหญ่สังเกตได้ไม่ยากคนที่ขาดเมตตาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าตาก็หน้านิูวคิ้ว ข, ขมวดนอนเป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์หน้าตาไม่ชื่นบาน ส่วนคนที่มีเมตตาเนี่ยนะสังเกตตัวเราได้ไหมยะเวลาตื่นนอนเนหน้าตาเบิกบานนี้หรือนี่หน้าตายับยู่ยี่ยับยู่ยี่หรือว่าเบิกบานเหมือนมะเหมือนดอกไม้แย้มบานถ้าตื่นขึ้นมาเหมือนหลับอะ่ะเพราะตื่นขึ้นมาหน้าตาก็เบิกบานบ่งบอกได้เลยว่านีเมตตาดีมากแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหน้าตายับยู่ยี่บางทีบิดซ้ายบิดขวาอยู่เนี่ยนะ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 เมตตาวิหารีบุคคลเป็นที่รักให้เป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเขาบอกว่าเพชรนินจินดาที่อยู่ในหน้าอกที่บุคคลสวมใส่เขารักของเขาไหยเขาต้องรักแหวนที่เขาสวมใส่ที่ข้อมือที่นิ้วมือนี่นะกำไลที่ใส่ไว้ที่ข้อมือเขามีความรักไขมุกดาที่เขาต่อยมุกดาเนี่ยที่เขาสวมคอเนี่ เขามีความรักที่เจริญใจหรือดอกไม้ที่ปักอยู่บนทิสาเป็นที่เจริญใจแก่คนทั้งหลายลักษณะของคนที่เจริญเมตตาไปที่ไหนเป็นที่รักของมนุษย์หมดเลยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมเพราะเขาเห็นสีหน้าเช่นั้นเขาก็รู้อุ้ยท่านคนนี้ไม่เป็นที่เป็นใจแก่ใครเหมือนคนเห็นดอกไม้นะอดอกไม้เนี่ยทุกคนไปเห็นแล้วก็าชื่นใจนะมเขชื่นใจ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 ที่ขลุ่หาวดีอ่ะเป็นกุดุมพีเนี่ยที่เมืองปาจลีบุตรในชมพูทวีปเมื่อเขาอยู่อยู่มาในเมืองปาฏลีบุตรได้ยินข่าวบอกว่าที่ลังกาทวีเป็นประเทศที่ประดับประดาสง่างามไปด้วยพระเจดีย์คือเขาได้ยินข่าวว่าที่ลังกามีพระเจดียด์เยอะเขาก็อยากไปไหว้พระธาตุใจก็จะน้อมไปในการที่จะไปไหว้พระธาตุเนี่ยนะแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งเป็นล่มภาคารสาวัสด ใครๆก็ตามสามารถที่จะไปนั่งหรือไปนอนได้อย่างสบายปลอดภัยในที่ตนเองประสงค์สัพยะทุกๆอย่างอากาศก็สัพยะเสนาสนะก็สัายะบุคคลก็สภายะธรรมะก็สัพยะหาได้ง่ายนี่ท่านวิสาขานี่ที่เป็นกุฎุมพีที่วิสาขา์ก็ได้ตัดสินใจมอบโพคสมบัติของตในให้แก่บุตรภรรยาเมื่อมีทรัพย์ ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกหาปะนาเดียวเท่านั้นคือเอาเงินติดหนึ่งกหาปะาติดขอดกระชายผ้าแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปไปในมหาสมุทรนี่ยในเดือนหนึ่งกุดุมพีวิสาขาเป็นคนฉลาดในเชิงวัวหารก็ได้ซื้อของณที่นั้นไปขายณที่นั้นรวบรวมทรัพย์ได้ถึงพันกหาปะนาในระหว่างเดือนหนึ่งด้วยด้วยการค้าขายแล้วก็ได้ถึงวัด ในลังกาทวีบโดยนมดับแล้วก็ขอบวชอุปชาพาเขาไปยังสีมาทำการบวชเขาก็ทําหอดทั์พันกระหากันนะให้ร่วงหล่นภายในเกี่ยวผ้าอุปชาจึงถามว่าอะไรก็เลยให้เอาบอกให้เอาไปทิ้งท่านก็เลยบอกเออเงินตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้ถ้าใครประสงค์อยากได้ก็ให้เอาไปเที่ยในลักษณะอย่างนี้ก็วางไว้โปรยทานไว้ในโรงบวชถุแล้วก็อุปสมบท พอออกบวชได้ประมาณห้าปีท่านก็ท่องมาติกาทั้งสองได้อย่างคล่องแคล่วทั้งพิคุปาติโมกพระพิคุณีปาติโมกย์นี่โตเวลาออกพรรษาแล้วก็ขอกรรมาฐานเป็นที่สบายเหมาะกัยาสายของตนไปใจมามัผัดเปลี่ยนอยู่วัดละสี่เดือนทีนี้เที่ยวไปมาอยู่ในตามที่ว่าต่างๆวันหนึ่งก็คือไปสถานที่ระหว่างป่าเป็นที่ธรรมนีย์สถานท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติต่อมาเนี่ย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 ในท่สุจริงๆท่านได้บรรลุท่านได้บรนะบรลุอาศัยอนุข้อเทวดาด้วยท่านจะเจริญเมตตาเป็นกรรมฐานเป็นพื้นฐานในสี่สุจริงๆก็เอาเมตตานะเป็นบาตฐานในการเจริญวิปัสนาในที่สุดก็บรรลุได้เป็นพระอาจานย์นี่เป็นอย่างนี้นะี่ยไม่ว่าเทวดาเป็นไม่ว่าเทวดาเป็นพิรักของเทวดาเป็นต้นเหล่านี่ปยาพิสตราไม่กล้ามกลายด้วยนะแล้วก็สมาธิก็จะ เรอให้สังเกต ด, ดูว่ากักผกคนที่เจริญเมตตาเนี่ยสมาไป ย, ยาพิสตราป้องกันนะนั้นถ้าเจริญเมตตาให้ถึงขั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยถึงสิมาสัมเพีจริงๆเ น, เนี่ยเอาถึงผลจริงๆเนี่ยสามารถป้องกันพยานาตรายตงด่างเรได้เอมีตัวอย่างเยอะประเภทที่เอาน้ำร้อนสาดก็ไม่เป็นอะไร น, ะน้ำร้อนเดือนเดือนเนี่ยนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสาดนะึ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 บอกว่าประการแรกก็คือว่าให้เห็นโทษอุบายบรรเทาความโกรธคือถ้าเราจะเจริญเมตตาได้ดีเนะี่ยต้องขจัดความโกรธในใจของเราให้ออกผู้ปฏิบัติเพียนพยายามพ่ฒสอนตัวเองบอกว่าแต่ความโกรธแค้นความโกรธยังไม่สงบลงแต่นั้นเนะ่บุคคลจงใช้วิธีสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยงุหดหหิดงา แม้ในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดควา ม, มหงุดหงิดท่านมีอุบายบางข้อบอกว่าให้เรียกตนเองบอ่ามีแนะ่พ่อมหาจำเลยเนนะี่ยถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็แม่มหาจําเริญนนะี่เนี่ยอันนี้คือเรียกตัวเองนะี่ยแก้าโกรธคนอื่นเขาอย่แล้วจับได้ประโยชน์อะไรเริ่มถามตัวเองเนะี่ยบอกเออเราโกรธคนอื่นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรเราจะได้ประโยชน์ในภพนี้ไหมได้ประโยชน์ในภพหน้าไหม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 พอเมตตาเกิดขึ้นเราก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นบ่เผ่านมีกรรมเป็นทาติมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราก็จะป้องวุนไล่รับผลของกรรมนี้เมื่อเรามีกำลังทำกรรมดีอยู่ทำเมตตากรรมอยู่ไอ้กรรมดีนี้ก็ต้องตามสนองผลเรากรรมของเจ้านี้มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้สำเร็จสัมมาสัมพุทธญาณปัจเจกพฏิญาณและสาวกสมมุติถ้าเราเกิด แต่ความโกรธของเราเนี่จะบันดาลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้บันดาลให้เป็นพระปัิเจกกับพุทธเจ้าได้ไหมก็ไม่ได้บันดาลให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถบันดาลให้ได้สมบัติความเป็นพระพรหมเป็นพระอินท์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นประเทศราชได้เลยตรงกันข้ามกรรมกล่าวคือโทสะจะขับไล่สาส่งเจ้าให้ออกไปจากพระศาสนา บันดาลให้ประสบผลอันประหลาดต่างๆเช่นทําให้บังเกิดเป็นขอทานเออมันนา่าน่ากลัวนะเช่นถ้าเราโกรธล้วเป็นขอทานนะถ้าเราเมตตาตายไปแล้วเราจะได้เป็นพรมนีนะ่จะเป็นเศรษฐีนะี้มันไปคนละทางเลยเนะี่ยเรามองอย่างนี้มันน่าเห็นโทษอย่างรุนแรงเลยนะว่าโอ้โหโทษานี้ไม่เอาแลย้ยต่อไปเอาเมตตาดีกว่าหรือเป็นคนกินเดนคนอื่น ประสบความทุกข์ยากยาใหญ่หลวงเช่นทําให้บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่หนาอันตัวเจ้าเนี่ยเมื่อขืนทํากรรมอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าเผาตัวเองทั้งเป็นทําตัวเองให้มีชื่อเสียงเน่าเหม็นเป็นคนแรกนั่นเถียนถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าสภาพของโทสะเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ดีเลยแต่สภาพของโทสะที่ไม่ดีเนี่ยเนียหลายหายคนก็ไม่